วันนี้เป็นวันศุกร์ที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2559เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันแรกของปีพุทธศักราช2559เป็นธรรมเนียมของคนในยุคปัจจุบัน นี้เวลาขึ้นปีใหม่ก็มักจะตั้งสัจจะอธิษฐานกันเพื่อจะกระทำหรือไม่กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตของตนให้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเช่นบางคนก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะ เลิกสูบบุหรี่จะเลิกเดิมสุรายาเมาจะเลิกเล่นการพนันจะเลิกเที่ยวกลางคืนเป็นต้นอันนี้คือเป็นการตั้งเป้าหมายของชีวิตในปีใหม่ว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อให้ชีวิตนั้นดีขึ้นสำหรับชาวพุทธเรานี่เราควรที่จะตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ที่ตรงไหนดีถ้าเป็นชาวพุทธแท้เราก็ต้องตั้งเป้าหมายที่การสร้างบารมีต่างๆอย่างที่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้สร้างกันมาเพราะเป้าหมายของชาวพุทธเราก็คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองและไม่มีอะไรที่จะทําให้พวกเราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากบารมีต่างๆนั่นเองเช่นบารมี ข้อที่หนึ่งก็คือเมตตาบารมีข้อที่สองก็คือทานบารมีข้อที่สามก็คือศีลบารมีข้อที่สีคือเนคขมบารมีข้อที่ห้าอุเบกขาบารมีและข้อที่หกปัญญาบารมี นี่คือบารมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายได้สร้างกันในแต่ละภพในแต่ละชาติจนเป็นสะพานเชื่อมให้ผู้ปฏิบัติผู้สร้างบารมีนี้ได้ข้ามออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ไปสู่โลกแห่งการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือพระนิพพานนั่นเองจําเป็นที่จะต้องสร้างบารมีเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลกของการเวียนว่ายตายเกิดกับพระนิพพานและบารมีที่จะทําให้สามารถสร้างบารมีเหล่านี้ได้ก็เรียกว่า อธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีและขันติบารมีนี่คือบารมีต่างๆที่ชาวพุทธเราควรที่จะตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าปีนี้จะสร้างทานบารมีด้วยการ ตั้งอธิษฐานบา ร, รมีขึ้นมาก่อนอธิษฐานบา ร, รมีก็คือการตั้งเป้าหมายของการดําเนินของชีวิตว่าจะไปทิศทางไหนถ้าไม่ตั้งเป้าหมายไว้ก็อาจจะไม่รู้จุดหมายปลายทางเช่นถ้าขับรถออกจากบ้านแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีก็อาจจะขับไปตามถนนหนทาง เห็นอะไรที่พอใจก็อาจจะขับไปตามที่เห็นที่พอใจเห็นอะไรที่ไม่พอใจก็อาจจะขับหนีจากที่ที่ไม่พอใจไปก็จะไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของการเดินทางนั้นจะพาไปถึงที่ไหนกันแน่ฉันใดชีวิตของเราก็เหมือนกัน ถ้าชีวิตของเราไม่มีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะไปทิศทางไหนเราก็จะไปแบบสเปสปะไปแบบอารมณ์ตามอารมณ์วันไหนอยากจะทำอะไรเราก็ทำวันไหนไม่อยากจะทำอะไรเราก็จะไม่ทำเมื่อเราปล่อยให้ชีวิตเราไหลไปตามกระแสะอารมณ์มันก็มักจะพาเราวนไปเวียนมา ไม่สามารถพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีที่งามได้เช่นถ้าเราปล่อยให้เป็นปลายาอารมณ์ของเราอารมณ์ของเรามักจะไหลไปสู่ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่เป็นกระแสที่จะพาให้เราเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเราอยากที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องทวนกระแสเราจะต้องตั้งเป้าหมายของเราว่าเราจะไม่ไหลไปตามกระแสของความโลภความโกรธความหลงของความอยากต่างๆแต่เราจะไหลเราจะตั้งเป้าหมายชีวิตของเราให้ไหลไปทางบุญบารมีต่างๆนี่คือข้อแรก คืออธิษฐานบารมีเราต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าเราจะทําอะไรในปีนี้ก็อย่างที่บอกเช่นเราจะสร้างเมตตาบารมีสร้างทานบารมีสร้างศีลบารมีสร้างเนคัมมะบารมีสร้างออเบขาบารมีสร้างปัญญาบารมีเมื่อเราได้มีความตั้งใจแล้วสิ่งที่จะทําให้เรา กระทำสิ่งที่เราตั้งใจได้ก็เรียกว่าสัจจะบารมีเราต้องเป็นคนที่มีสัจจะเป็นคนที่เอาจริงเอาจังไม่ใช่โลเลตั้งไปโกโก้พอถึงเวลาให้ทำก็ไม่ให้ก็ไม่ทำเช่นบางคนตีใหม่ว่าบอกว่าจะเลิกสูบบุหรี่พอผ่านไปได้สองสามวันความอยากสูบบุหรี่ปรากฏขึ้นมา ทนไม่ไหวก็เลยหันกลับไปสู่บุรีใหม่การกระทําแบบนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะบารมีไม่มีความจริงใจตั้งเป้าหมายว่าจะทําอะไรเหมือนกับการสัญญากับตนเองสัญญาว่าต่อไปนี้เราจะไม่สู่บุรีนะแต่พอถึงเวลาเกิดความอยากสู่บุรีขึ้นมาก็ทนสู้กับความทุกข์ทรมานใจ ที่เกิดจากความอยากสู่บุหรี่ไม่ได้ก็หันกลับไปสู่บุหรี่ใหม่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการล้มเหลวไม่สําเร็จประโยชน์ได้ผู้ที่จะสําเร็จประโยชน์จากการตั้งอธิษฐานตั้งเป้าหมายได้ต้อต้องใช้สัจจะเป็นเครื่องสนับสนุนคือความที่ไม่โกหกหลอกลวงตนเองความแน่วแน่ ความซื่อสัตย์ต่อการตั้งเป้าหมายของตนเมื่อได้ตั้งเป้าหมายแล้วจะต้องทำให้ได้ยกเว้นตายเท่านั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งเป้าหมายใ น, ในขณะที่ทรงประทับอยู่ใต้โคนต้นโพตอนก่อนที่จะทรงตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตั้งอธิษฐานว่าจะนั่ง ภาวนาอยู่ตรงนี้ตรงโคนต้นไม้นี้ไปจนกว่าจะได้ตัดสรูได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถ้ายังไม่ได้ตัดสรูยังไม่หลุดพ้นจะไม่ลุกจากที่นั่งอันนี้ไปเป็นอันขาดถึงแม้ว่าร่างกายเลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปหมดก็จะไม่ยอมลุกโดยเด็ดขาด ือยอมตายถ้าไม่ตัดสั้นก็ยอมตายถ้าจะลุกก็ต้องตัดสร้นเท่านั้นนี่คือสัจจะที่พระ อ, องค์ได้ทรงกํากับกับความตั้งใจของพระ อ, องค์แล้วพระ อ, องค์ก็ทรงกระทาอย่างนั้นจริงๆคือทรงตั้งสัจจะแล้วก็ไม่ลุกนั่งไปจนในที่สุดก็ได้ตัดสร้ได้เห็นธรรมที่ทรงปรานา ทำที่ทำให้พระองค์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่คือตัวอย่างของการตั้งสัจจะอธิษฐานตั้งเป้าว่าจะนั่งแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนใจตั้งไว้แล้วต้องมีสัจจะรับปากกับใครแล้วต้องทำตามที่รับปากเอาไว้ไม่ใช่รับปากไวอ้อย่างนั้น พอถึงเวลาก็ไม่ทำตามถ้าไม่มีสัจจะแล้วจะไม่สามารถตั้งตั้งเป้าทำอะไรให้สำเร็จได้พอไปเจอความทุกข์ยากลำบากก็จะไม่อยากจะทำขึ้นมานอกจากการมีสัจจะแล้วยังต้องมีวิริยะบารมีคือความอุตสาหาภาคเพียน เมื่อเราตั้งใจที่จะทำอะไรเราก็ต้องผลักดันตัวเราเองให้ทำสั่งสิ่งที่เราตั้งใจจะทำถ้าเราไม่ผลักดันไม่มีความภาคเพียรเราก็จะไม่สามารถทำในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำได้เราก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรในสิ่งที่เราจะต้องทำเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่เราต้องการ เรียกว่าวิวริยะบารมีความภาคเพียรและนอกจากวิริยะบารมีบารมีอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องมีในการสนับสนุนการตั้งสัจจะอธิษฐานของเราเพื่อให้เกิดผลสําเร็จขึ้นมาก็คือขันติบารมีต้องมีความอดทนเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราจะกระทํานี้เป็นสิ่งที่ ดีแต่เป็นสิ่งที่ยากเป็นเหมือนกับการเดินขึ้นภูเขาหรือปีนเขาไม่เหมือนกับการเดินลงเขาสิ่งต่างๆที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้เป็นเหมือนกับสิ่งเหมือนกับการเดินลงเขาคือการทําตามความโลภความโกรธความหลงทําตามความอยากต่างๆอันนี้มันง่ายชวนให้ไปเที่ยวนี้แทบจะไม่ต้อง รอเลยพอบอกไปไม่ไปเลยถ้าชวนให้ไปวัดนี่เดี๋ยวขอคิดก่อนขอเช็คดูตารางก่อนว่าติดนัดที่ไหนหรือเปล่ามี่วระอะไรกับใครหรือเปล่าถึงแม้ไม่มีก็ยังต้องขอคิดดูก่อนนี่แหละคือความยากง่ายระหว่างการ ทำสิ่งที่ไม่ดีกับสิ่งที่ดีที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตของพวกเราสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตของพวกเรานี้มันเป็นสิ่งที่ทํายากเช่นให้มีความเมตตาความเมตตาคืออะไรคือความไม่มีพิษมีภัยต่อผู้อื่นมีแต่ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเช่น คิดดีพูดดีทดําดีไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่ทําร้ายเวลาผู้อื่นทําอะไรที่ไม่พอใจทําให้เราเสียใจหรือทําให้เราโกรธเราต้องให้อภัยอาเวลาโหนตุเอเวลาแปลว่าการไม่จองเวรพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่าเวรย่อมแม่ระ ง, งับด้วยการจองเวร แต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรการมีเวรมีกรรต่อกันนี้ไม่ดีการเป็นศัตรูต่อกันนี้ไม่ดีจะมีแต่ห้ามหันกันฆ่าฟันกันทำลายกันทำร้ายกันเป็นการสร้างความทุกข์ให้ต่อกันไม่ได้ให้ไม่ได้สร้างความสุขแต่การมีความเมตตานี้เป็นการดับอ ความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาททำให้เกิดเป็นมิตรกันขึ้นมานี่คือบารมีที่ชาวพุทธเราทั้งหลายควรหมัน่นเจริญกันให้มากๆวิธีจเจริญ น, นี้ก็มีสองวิธีวิธีที่เราทำกันโดยปกตินี้เรียกว่าเป็นการทำการบ้าน เช่นเวลาเราไหว้ผ้าสวดม น, นแล้วเราก็สวดบทแผ่เมตตาสัพเพสัตตาอเวราโหนตุสัพเพสัตตาอปยาปัจชาโหนตุเป็นต้นอันนี้เป็นการเรียนรู้ว่าความเมตตานี้เป็นอย่างไรคือไม่จองเวรไม่เบียดเบียนกันมีความปรารินิปรารถนาดีปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข ราถนาให้ผู้อื่นไม่มีความทุกข์นี่คือเป็นการสอนตนเองเป็นการทำการบ้านเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระแล้วเราบอกว่าแผ่เมตตาความจริงเรายังไม่ได้แผ่เพราะการแผ่เมตตานี้ต้องมีผู้รับผู้รับก็คือบุคคลต่างๆที่เราพบปะเวลาที่เราออกจากบ้านไปหรือออกจากห้องเรามา แล้วเจอคนในบ้านกด็ดีหรือออกไปนอกบ้านเจอคนนอกบ้านกด็ดีเวลานั้นละ่ะเป็นเวลาที่เราต้องแผ่เมตตาอย่างน้อยที่สุดเวลาเจอใครก็ควรที่จะทักทายกันมีอัธยา ศ, า ศ, าศาัายไมตรีจิตถามสารทุกข์สุขดิบต่อกันแล้วถ้ามีอะไรที่เราพอที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ เราก็แบ่งปันกันไปเช่นปีใหม่นี้เราสอกรอสอรกันแปลว่าส่งความสุขกันนี่แหละคือการแผ่เมตตาเราแผ่เมตตาด้วยการส่งความสุขให้ผู้อื่นเช่นซื้อของขวัญเราก็เขียนสอกรอสอรใส่กำกับไว้ในของขวัญขอให้คุณมีความสุขในปีใหม่นี้นี่เรียกว่าการแผ่เมตตา คือให้ความสุขแก่ผู้อื่นถ้าให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นนี้ไม่เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาถ้าโกรธเกลียดเครียดแค้นจองเวรจองกรรมอย่างนี้เรียกว่าไม่แผ่เมตตาแผ่เมตตาต้องให้อภัยไม่ว่าใครก็จะพูดอะไรทำอะไรที่ทำให้เราไม่พอใจหรือทำให้เราเสียใจหรือทำให้เราเสียหายเราก็ ต้องให้อภัยเขาไปขอให้เราคิดว่าสิ่งใดที่เขาทำเขาจะต้องเป็นผู้รับผลของการกระทาของเขาเราไม่จาเป็นที่จะต้องไปให้คุณให้โทษกับเขาเพราะไม่ใช่หน้าที่ของเรากรรมนี้มีวิบากตามมาสเสมอไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือเป็นกรรมไม่ดีเขาพูดไม่ดีเดี๋ยวเขาก็รับผลของการพูดไม่ดีของเขาเอง เขาทําไม่ดีเขาก็จะต้องรับผลของการกระทําไม่ดีของเขาเองเราไม่ต้องไปลงโทษเขาไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดเขาถ้าเราไปลงโทษเขาเขาก็จะกลับมาโกรธมาเกลียดเราแล้วเขาก็จะกลับมาลงโทษเราแล้วมันก็จะกลายเป็นสงครามขึ้นมาและอาจจะถึงขั้นฆ่ากันตายได้ เพราะว่าไม่รู้จากการให้อภัยไม่รู้จากการไม่จองเวรกันเพราะขาดความเมตตาผู้ที่มีความเมตตาจริงๆแล้วจะไม่โกรธเกลียดใครเช่นพระพุทธเจ้าถึงแม้จะถูกพระเทวทัตยพยายามโปรงพระชนถึงสามครั้งด้วยกันแต่พระพุทธเจ้าไม่โกรธไม่เกลียดเทวทัตเลยไม่เคยคิดตอบโต้ทาลายเทวทัตเลย ทั้งๆ ท, ที่พระพุทธเจ้านี้มีอภิน ญ, ญามีความสามารถที่จะสามารถทำลายทำร้ายเทวทัตได้อย่างง่ายดายแตพ่พระองค์ไม่ทรงกระทำเนยเพราะความเมตตาที่มีอยู่ในพระใยของพระองค์พระองค์ปล่อยให้กรรมมันตอบสนองซึ่งไม่นานพระเทวทัตก็เกิดความรู้สึกทุกข์ใจขึ้นมาจากการกระทำที่ไม่ดีของตน แล้วก็สำนึกผิดถึงกับไปกราบเพื่อจะขอขมาลาโทษแต่ก่อนที่จะไปถึงก็ถูกแผ่นดินสูบ ก, ก่อนที่แผ่นดินจะสูกตนลงไปในดินก็ถวายกรามให้กับพระพุทธเจ้าขอถวายเพื่อเป็นการขอโอโหสีกรรมนี่แหละเราไม่ต้องไปให้คุณให้โทษใคร ใครก็ทําดีทํำชั่วนั้นเขามีผลของเขาอยู่แล้วโดยเฉพาะการให้โทษผู้อื่นการให้คุณไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าใครเขาทาความดีแล้วเราอนุโมทนายินดีด้วยมีอะไรมีรางวี่รางวัลมีข้าวมีของแจ ก, กให้เขาอันนี้ทําได้เป็นการแผ่เมตตาของเราเป็นการแสดงความชื่นชมยินดี มุติตาจิตในความดีของเขาแต่อย่าไปทำร้ายเขาเวลาที่เขาทำอะไรที่ไม่ดีกับเรานี่คือเรื่องของการเจริญเมตตาบารมีเป็นบารมีที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะก้าวข้ามไปสู่พระนิพพานจำเป็นจะต้องมีจิตใจที่ไม่โหดร้ายทารุณ ไม่คิดร้ายกับใครเพราะถ้ามีการคิดร้ายมีการจองเวรจองกรรมกันมันก็จะทำให้ติดอยู่กับการเวณไหว้าตายเกิดตาอไปเมือ่อเรามีเมตตาบรารมีและวบรารมีข้อที่สองคือทานบรารมีก็จะเป็นสิ่งที่ทำได้อย่างง่ายดายทานบรารมีก็คือการแบ่งปันการเสียสละสิ่งที่ประโยชน์สุข ที่เรามีอยู่ให้แก่ผู้อื่นถ้าเรามีอะไรพอที่จะแบ่งปันให้ผู้อื่นได้เพราะว่าเรามีมากเกินไปเก็บไว้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเอานอกจากไม่มีประโยชน์แล้วยังเป็นภาระกับจิตใจของเราสู้เอาไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นดีกว่าทําให้ผู้อื่นนั้นเขามีความสุขได้รับความเมตตาจากเราแล้วจะทําให้ เขานี่รักเราความเมตตานี่แหละการให้การเสียสละนี่แหละเป็นการสร้างมิตรที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ที่มีความเมตตานี้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่ตายด้วยสัตราวุธหรือยาพิษต่างๆเพราะจะไม่มีผู้ที่จะคิดร้ายต่อผู้มีความเมตตานั้นเองแล้ว อยู่ก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขตือนก็เป็นสุขเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายแล้วเวลาตายไปถ้ายัางไม่ถึงพระนิพพานก็จะต้องก็จะไปเกิดในสุคติไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆนี่คืออนิสงค์ของการมีเมตตาบารมีและทานบารมีการทําทานนี้เป็นการที่ จะช่วยให้เรานี้ไม่ยึดติดกับสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะเราจะต้องจากโลกนี้ไปนั่นเองเพราะโลกนี้เป็นโลกของการเวียนว่ายตายเกิดโลกของความทุกข์การหวงทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองต่างๆก็เหมือนกับหวงความทุกข์นั่นเองหวงการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้หวงอะไรเลยนักชคคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าจึงเห็นชัดว่า การมีทรัพย์สมบัติหรือการยึดติดกับทรัพย์สมบัติมากเกินไปนี้เป็นโทษไม่ได้เป็นคุณถ้ายึดไว้เพียงพอประมาณเพื่อให้อยู่ได้อย่างนี้เป็นประโยชน์แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องมีสมบัติเช่นมีบาทมีจีวรไว้สำหรับดูแลรักษาร่างกายแต่จะไม่มีมากไปกว่าเท่าที่จาเป็นเพราะถ้ามีมากกว่านั้นก็แสดงว่ามีความโลภ มีความอยากได้มีความยึดติดในทรัพสมบัติข้าวของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เท่ากับการผูกมัดตัวเองให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปผู้ที่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จึงจำเป็นที่จะต้องสละทำทานเช่นบรรดานักบวชทั้งหลายเวลาที่เขาออกบวชกันนี้เขาไม่เอาอะไรติดตัวไปเลย มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยก็ยกให้ผู้อื่นไปหมดไปตัวเปล่าๆแล้วก็ไปรับสมบัติที่พุทธเจ้าสงมอบให้8ชิ้นเรียกว่าอัฐบริขารเช่นบาทและกีวรเป็นต้นนี่คือที่มาของการสร้างทานบารมีเพื่อให้เราได้ปล่อยวางทรัพย์ภายนอก เพื่อที่เราจะได้เข้าสู่รัพภายในต่อไปซัพภายในก็คือนิพพานสมบัตินี้เองการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการได้พบกับปรมังสุขขังความสุขที่สูงสุดที่ที่มนุษย์จะสามารถสรรหาได้เป็นความสุขภายในไม่ใช่เป็นความสุขภายนอก เป็นความสุขที่เกิดจากทรัพย์ภายในไม่ใช่เป็นความสุขที่เกิดจากทรัพย์ภายนอกความสุขที่เกิดจากทรัพย์ภายนอกนี้เป็นของไม่เที่ยงมีวันสิ้นสุดมีวันหมดเวลาหมดเวลาสิ้นสุดความสุขนั้นก็หมดไปด้วยแล้วความทุกข์ก็จะแทนเข้ามาแทนที่ทันทีเวลาคนที่สูญเสียสมบัติล้มละลายนี้ อยากจะฆ่าตัวตายกันเอทนความทุกข์ทรมานที่อยู่แบบไม่มีอะไรได้อันนี้คือเรื่องของทานบารามีแลเมื่อเราสร้างทานบารามีได้เราก็จะสร้างศีลบารามีได้เพราะว่าทานนี้เป็นการสนับสนุนให้เราเกิดศีลบารามีเพราะคนสร้างทานบารามีนี้เป็นคนที่ปรารถนาดีต่อผู้อื่น ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความทุกข์การที่สร้างศีลคือศีลห้าบารมีนี้จึงเป็นของที่ง่ายสาหรับคนที่ทาทานได้จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดบดไม่เสพสุรายาเมาได้แต่คนที่ยังสร้างทานบารมีไม่ได้นี้จะยากต่อการสร้างศีลบารมี เพราะคนที่ไม่สร้างทานบารมีก็คือคนที่ยังหวงสมบัติยังอยากได้สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆซึ่งมักจะเห็นว่าการมีศีลนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการหาทรัพย์สมบัตินั่นเองคนอยากจะได้ทรัพสมบัติมากๆเร็วๆง่ายๆมักจะต้องหาด้วยวิธีก็ ท, ทำบาปฆ่าสัตว์ก็ดีลักทรัพย์ก็ดีช่อโกงก็ดี โกหหลอกลวงก็ดีอันนี้เป็นเรื่องของผู้ที่ไม่มีทานบารมีถ้าขาดทานบารมีจะรู้สึกว่าการสร้างศีลบารมีนี่ยากแต่ถ้ามีทานบารมีทําทานได้ไม่ยึดไม่ติดไม่โลภไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็จะสามารถที่จะรักษาศีล5ได้อย่างง่ายดาย เวลาทํามาค้าขายก็ไม่จําเป็นที่จะต้องโกงไม่จําเป็นจะต้องโกหกเพราะว่าไม่ได้โลภอยากได้ทรัพสมบัติมากมายทําเพื่อที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันวันหนึ่งก็พอแล้วได้ไม่มากก็อยู่ได้แล้วนี่คือเรื่องของศีลบารมีถ้าสร้างทานบารมีได้ก็จะสร้างศีลบารมีได้คือศีลห้าแล้วเมื่อรักษาศีลห้าได้แล้ว การที่จะสร้างเนคขมบา ร, บารมีก็จะเป็นการสร้างที่ง่ายเช่นเดียวกันเนคข ม, มะบารมีก็คือการออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องการหาความสุขด้วยการไปท่องไปเที่ยวไปดูมอหรลสพบันเทิงต่างๆอย่างเมื่อคืนนี้ถ้าผู้ที่ถือสร้างเนคข ม, มะบารมีก็จะไปอยู่วัดกัน ไปไหว้พระสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบเพื่อหาความสุขภายในหาทรัพย์ภายในแต่ผู้ที่สร้างในกขัมมะบารมีไม่ได้ก็จะไปหาความสุขภายนอกไปตามสถานบันเทิงต่างๆไปดูไปฟังแสงสีเสียงอะไรต่างๆนี่คือในกขัมมะบารมีก็คือการรักษาศีลแปดนี่เอง เรียกว่าเป็นการสร้างเมตคำมะบารมีเพราะผู้ที่รักษาศีลแปดจะงดเว้นการหาความสุขผ่านทางร่างกายเช่นการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนก็จะระงับไป ừ, การหาความสุขจากการดื่มการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบเขนการดื่มรับประทานตามความอยากนี้จะไม่มีจะรับประทานเท่าที่ จำเป็นต่อร่างกายคือรับประทานก่อนเที่ยงวันก็พอเพียงแล้วบางท่านอาจจะรับประทานเพียงหนเดียวเลยก็ได้เช่นพระวัดนี้ถือข้อทุดงควัตฉันมือเดียวอันนี้ก็เป็นการเจริญเนคคามะบารมีคือไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารหรือขนมนมเนยเครื่องดื่มต่างๆจะรับประทาน ด, ดื่มเพื่อดูแลรักษาร่างกาย เหมือนกับการรับประทานยารับประทานเพื่อเยียวยาให้ร่างกายอยู่ได้แต่ไม่รับประทานตามความอยากถ้ารับประทานตามความอยากเดี๋ยวหลังเที่ยงก็ต้องอยากจะรับประทานอะไรแล้วเย็นตอนบ่ายก็อยากจะรับประทานเย็นก็อยากจะรับประทานข้าก่อนนอนก็อยากจะรับประทานถ้ามัวแต่รับประทานหาความสุขจากการรับประทานอาหารขนมนมเนยต่าง ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างความสงบสร้างความสงบก็คือบารมีข้อตอมาเรียกว่าอุเบกขาบารมีอุเบกขาบารมีแปลว่าการทำใจให้เป็นกลางทำใจให้ปราศจากอาคติทั้งสี่คือความรักความชังความกลัวความหลงใจจะอยู่ ใจจะอยู่ปราศจากอากติได้นี้ต้องอยู่ในความสงบที่เรียกว่าอยู่ในอัปปนาสมาธิใจต้องรวมเป็นหนึ่งศักดิแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาการที่จะสร้างอุเบกขาบารมีได้นี้จำเป็นจะต้องอาศัยธรรมที่เรียกว่าสติสตินี้จะเป็นผู้ที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบ ใจไม่สามารถที่จะเข้าสู่ความสงบได้ด้วยตนเองเพราะใจถูกความโลภความอยากต่างๆคอยผลักดันให้ออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจึงต้องมีอุเบกขาบารมีคือศีลแปดไว้เป็นรั้วกัน้นเป็นเหมือนประตูเราต้องปิดประตูของเทาวานทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ให้ใจนี้ออกไปดูไปฟังไปหาความสุขจากรูปเสียงเกิ่นรถต่างๆศิหนหะศินแปนี้ก็เป็นเหมือนกับหน้าต่างหรือประตูที่จะปิดกันไว้ไม่ให้คนที่อยู่ในบ้านนั้นออกไปข้างนอกบ้านได้ใจนี้เหมือนคนที่อยู่ในบ้านถ้าไม่อยากจะให้ใจออกไปนอกบ้านก็ต้องปิดหน้าต่างปิดประตูใส่กรอนใส่กุญแจใจก็จะไม่สามารถออกไปนอกบ้านได้ แต่ยังสามารถดิ้นอยู่ในบ้านได้อยู่ถ้าอยากจะให้ใจหยุดดิ้นจำเป็นจะต้องมีสติคือเชือกมาจาับมัดใจไว้กับเก้าอี้หรือกับเสาที่ใดที่หนึ่งฉันใดใจนี้จะจะนิ่งจะสงบได้ต้องมีสติผูกใจไว้กับ <c oughs> อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์ที่เรามักจะใช้ในการผูกใจนี้ก็คือ คำบริกรรมพุทโธพุทโธ ท, ที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านแนะนาท่านสอนให้พวกเราจเจริญกันเป็นวิธีผูกมัดใจของเราให้อยู่กับที่ไม่ให้วิ่งไปวิ่งมาตามกระแสะของความรักความชังความกลัวความหลงถ้าใจยังไม่สงบนี้ใจจะมีอคติคอยผลคอยดันคอยดึงอยู่ตลอดเวลาให้รักบ้างให้ชังบ้าง ให้กลัวบ้างให้หลงบ้างแล้วเวลาที่มีความรักชงังกลัวหลงก็จะมีความไม่สบายใจไม่มีความสุขแต่ถ้ามีสติสามารถผูกใจมัดใจไว้ให้อยู่กับที่ได้ให้อยู่กับอารมณ์เดียวได้คือให้อยู่ในสมาธิได้อากติทั้งสี่คือความรักความชางังความกลัวความหลงนี้จะสงบตัวลงชั่วคราว เจ้าขณะที่ใจอยู่ในความสงบความรักความชังความกลัวความหลงนี้จะไม่มีอยู่ภายในใจเลยจะไม่รู้สึกหวั่นไหวเดือดร้อนกับอะไรทั้งนั้นเพราะตอนนั้นใจไม่รับรู้อะไรทั้งหมดเข้าไปข้างในเหมือนเราเข้าไปในบ้านแล้วปิดประตูบ้านไม่รับรู้ข่าวสารไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆมีหรือเหตุการณ์อะไรต่างๆภายนอกวุ่นวายอย่างไร เราก็ไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนใจเราเพราะเราไม่ไปรับรู้อะไรนั่นเองนี่คืออุเบกขาบารมีเราต้องพยายามดึงใจให้เข้าไปสู่อุเบกขาที่ตั้งที่สงบที่ว่างจากความรักความชังความกลัวความหนงถ้ามีอุเบกขาแล้วเวลาออกไปนอกบ้านเราจะไม่เดือดร้อนเห็นอะไรเราก็จะเฉยได้ ได้ยินอะไรเราก็จะเฉยได้แต่ถ้าไม่มีอุเบกขานี่พอเห็นอะไรก็อดไม่ได้เดี๋ยวอดับลดไปด่าคนนั้นด่าลดคนนั้นด่าลดคนนีนนนน้เพราะว่าเห็นแล้วมันไม่พอใจเกิดความชังขึ้นมาถ้าเห็นอะไรชอบก็อดไม่ได้ที่จะหยุดวะไปซื้อของที่ชอบอีกใจที่ไม่มีอุเบกขาจะเป็นอย่างนั้น จะถูกกระแสของความรักความชังความกลัวความหลงนี้คอยดึงคอยดูดไปอยู่เรื่อยๆทําให้ใจนี่แกว่งไปแกว่งมาไม่มีความสุขกังวนกังวลกระสับกระส่ายก็เพราะอาการทั้งสี่นี้แต่ถ้ามีอุเบกขานี่ใจจะไม่มีอาการกระสับกระส่ายกังวนกวายอะไรต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้น แต่พอออกจากสมาธิมาออกจากมาไม่นานอุเบกขานี้ก็จะอ่อนกำลังลงได้ถ้าอยากจะรักษาอุเบกขาให้คงอยู่ต่อไปก็ต้องเจริญบา ร, รมีตัวสุดท้ายก็คือปัญญาบา ร, รมีถ้ามีปัญญาบา ร, รมีจะสามารถที่จะรักษาอุเบกขาบา ร, รมีให้คงอยู่ได้เพราะอะไรเพราะว่า ปัคติทั้งสี่นั้นเกิดจากความหลงนั่นเองเกิดจากการขาดปัญญาพอเห็นอะไรก็ไม่ก็หลงคิดว่าเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาพอเป็นนั่นเป็นนี่ก็เกิดความรักความชั่งขึ้นมากับสิ่งที่รู้ที่เห็นแต่ถ้ามีปัญญาปัญญาจะมาแยกแยะมาวิเคราะห์ให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราเห็นเรารู้นี้มันไม่มีอะไร มันเป็นภาพหลวงทั้งนั้นมันเป็นภาพหลอกเป็นเหมือนภา พ, พยนตร์มันไม่มีไม่มีคุณไม่มีโทษกับใจของเราเพียงแต่ใจของเราไปหลงกับมันเองเท่านั้นไปหลงไปคิดว่ามันดีพอได้มาแล้วพอมันเปลี่ยนไปมันก็กลายเป็นของไม่ดีไปมันก็ทําให้เราเสียใจขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าของทุกอย่างในโลกนี้ มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของปลอมอมีโผล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ดับไปอมันไม่ได้เป็นของจริงแท้อะไรเลยเป็นของที่เกิดขึ้นอยู่เดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็หายไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนั้นเหมือนฟองน้ําเวลาเราเห็นฟองน้นํานี่เราไม่ไปหลงยินดีไปอยากได้อยากมีเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องแตกหายไปจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา เห็นด้วยผ่านทางทวารทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายเช่นร่างกายของมนุษย์เราสิ่งของต่างๆนี่มันไม่ได้เป็นร่างกายอย่างนี้ไปตลอดร่างกายของโกเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดสักวันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นขี้เถ้าไปกลายเป็นเศษกระดูกไปเหมือนกับฟองน้ําที่สักวันหนึ่งมันก็จะต้องแตกสลายหายไปถ้าเรามองเห็นความเสื่อมของสภาวธรรมทั้งหลาย เราก็จะไม่หลงเมื่อเราไม่หลงเราก็จะไม่มีอคติเราจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับสิ่งต่างๆที่เราพบปะรู้เห็นใจของเราก็จะวางเฉยได้จะไม่ยินดียินร้ายกับอะไรพอรู้ว่าไม่มีอะไรของทุกอย่างมันเป็นสุญญตาเป็นความว่างเหมือนกับฟองน้ามันไม่มีอะไร แต่เราไปหลงฟองน้ำร่างกายของพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนฟองน้ำแล้วเราก็ไปยึดติดกับฟองน้ำพอฟองน้ำแตกเราก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าสศกเสียใจกันแต่คนที่มีปัญญานี้จะไม่หลงไปรักฟองน้ำรู้ว่าฟองน้ำเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องแตกเดี๋ยวก็ต้องหายไปร่างกายของคนทุกคนเดี๋ยวก็ต้องแตกเดี๋ยวก็ต้องหายไป จากอาการสาสิบสองก็จะกลายเป็นดินน้ำลมฝอยไปเพราะที่มาของอาการสามสิบสองคือร่างกายอันนี้ก็คือดินน้ำลมฝอยนี่ดินน้ำลมฝฟยมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสาระไม่มีอะไรคนที่มีปัญญาจะเห็นภาพเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนตลอดเวลาก็จะทำให้ใจของเขานี่ไม่มีความ รักความชางความกลัวความหลงกับสิ่งต่างๆที่เขาสัมผัสรับรู้ barrier. เพราะเขาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนฟองน้ําเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องหายไปหมดไปเช่นร่างกายของผู้ที่มีปัญญาเขาก็รู้ว่าร่างกายของเขาสักวันหนึ่งก็จะต้องหมดไปเช่นร่างกายของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ว่าร่างกายของพระองค์ในวันหนึ่งก็จะต้องมีวันสิ้นสุดองหมดไป ท่านมีปัญญาท่านรู้ท่านเห็นท่านจึงปล่อยวางร่างกายไม่ไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไม่มีความอยากที่จะให้อยู่กับเราไปตลอดเพราะเห็นอนาคตของร่างกายนี้อย่างชัดเจนว่ามันจะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไยไปนั่นเองนี่คือการสร้างปัญญาบารามีเพื่อที่จะมารักษาอุเบกขาความสงบ ความเป็นกลางของใจความป่าศจากอคติทั้งสี่คือความรักความชังความกลัวความหลงผู้ใดที่สามารถกำจัดอคติทั้งสี่ได้อย่างถาวรผู้นั้นก็เป็นผู้ที่จะหลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่าตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายไ ด, าาได้เข้าถึงพระนิพพานเนี่ยพราะพุทธเจ้าทรงสร้างบา ร, รมีทั้งสิประการนี้ จนในที่สุดก็ทำให้พระ อ, องค์สามารถเข้าสู่พระนิพพานได้แล้วหลังจากนั้นพระ อ, องค์ก็ทรงเอาบารมีทั้งสิประการนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ยังไม่มีอย่างพวกเราให้พวกเรามาตั้งสัจจะกันในวันปีใหม่ว่าต่อไปนี้เราจะพุ่งเป้าไปที่การตั้ง พุ่งเป้าไปที่การสร้างบารมีทั้ง1ิประการนี้คืออธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิียะบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีอุเบกขาบารมีและปัญญาบารมีถ้าเราสามารถสร้างบารมีทั้ง10ประการนี้ได้ครบถ้วน ก็เท่ากับเราได้สร้างนิพพาสร้างสะพานที่จะเชื่อมให้พวกเราได้เดินออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้เราได้เข้าสู่พระนิพพานโลกที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายแต่ไม่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสูญหายไปไหนใจเรานี้ไม่มีวันสูญใจของเรามีที่อยู่สองที่ อยู่ที่มีการเวียนว่ายตายเกิดกับอยู่ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดใจไม่ได้ตายใจของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังอยู่ใจของพระอรลหันตสาวกทั้งหลายก็ยังอยู่เหมือนกับใจของพวกเราแต่อยู่กันคนละภาคใจของพระพุทธเจ้าอยู่ภากนู้นภากที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายแต่พวกเรายังอยู่ในภากที่มีการเกิดแก่เจ็บตายอยู่หลังจากที่ร่างกายเรานี้แก่เจ็บตายลงไปแล้ว ใจของเราก็ไปคว้าหาร่างกายอันใหม่ขึ้นมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่แล้วการเกิดแก่เจ็บตายแต่ละรอบก็ต้องหลั่งน้ำตากันต้องทุกข์ทรมานต้องวุ่นวายกันไม่รู้จักจบจากสิน้นแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถสร้างบารมีทั้งสิประการนี้เพื่อเป็นสะพานเชื่อมให้พวกเราได้เดินข้ามไปสู่โลกของการที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปอยู่กับ พระพุทธเจ้าและพระอาลันตรสาวกทั้งหลายนี่คื อ, อสิ่งที่ชาวพุทธเราควรที่จะตั้งอธิษฐานกันคือการสร้างบารมีทั้งสิบประการนี้ถ้าเราตั้งลอธิษฐานแล้วและเรามีสัจจะมีความจริงใจมีความภาคเพียรที่จะพยายามกระทำบารมีต่างๆที่เราตั้งใจจะกระทำด้วยความ เข้มแข็งด้วยความอดทนเวลาใครทําให้เราโกโรธเราก็จะให้อภัยจะไม่คิดร้ายไม่ทําร้ายใครเวลาเรามีทรัพย์มากเกินไปเราก็จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเราจะมีความสุจริตจะรักษาศีลห้าให้สะอาดบริสุทธิ์มีเวลาว่างเราจะไปอยู่วัดไปปีกวิเวกไปหาความสงบไปปิดตาหูจมูกลิ้นกาย ปิติวานทั้งห้าเพื่อที่จะได้เข้าหาความสุขภายในที่เป็นความสุขที่แท้จริงด้วยการสร้างอุเบกขาบารมีขึ้นมาอุเบกขาบารมีนี่แหละเป็นผู้ที่จะให้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเรียกว่านัตติสันติบาลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มีมีความสุขที่เกิดจากอุเบกขานี้เท่านั้น และจะรักสาวเบกขาให้ได้หลังจากออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาบารมีเอามองทุกอย่างในโลกนี้ให้เห็นว่ามันเป็นเหมือนข่องน้ำมันไม่มีสาระแก่นสารมันไม่จีรังถาวรมันไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราอย่าไปหลงมันอย่าไปหลงรักมันถ้ารักนะเดี๋ยวก็ต้องมีชังมีกลัวมีมีหลงตามมา ถ้ามีปัญญาก็จะไม่หลงไม่รักไม่ชังไม่กลัวใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงใจก็จะเข้าสู่พระนิพพานได้นี่คือบรารมนีทั้งสิที่ชาวพุทธเราควรจะตั้งเป้าไว้เป็นเป้าหมายของการดําเนินชีวิตมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ขอให้รีบสร้างกันเสียเพราะเวลาของพวกเราก็จะมีน้อยลงไปทุกปีทุกปี ผ่านไปชีวิตของเราก็หายไปทีละปีสองปีเผือเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ไม่มีเหลือแล้วเหมือนกับปฏิทินที่เดือนหนึ่งเราก็ฉีกทิ้งไปแผ่นหนึ่งเดือนหนึ่งเราก็ฉีกทิ้งไปแผ่นหนึ่งนี่ถึงวันเมื่อวานนี้ก็ต้องฉีกทิ้งไปแล้วหมดไปแล้วหนึ่งปีหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้สร้างบารมีอะไรกันไว้บ้างหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้สร้างปีนี้เรามาสร้างกันเถอะ เพราะสิ่งที่เราสร้างคือบา ร, รมีเหล่านี้เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงจะติดตัวกับเราไปได้ถ้าเรายังไม่สำเร็จงานนี้เราสามารถเอางานที่เราทำนี้ติดตัวไปเพื่อไปทำต่อในภพหน้าชาติหน้าได้ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ไม่เหมือนกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราหาได้ในชาตินี้พอเราตายไปล้วเอาติดตัวไปไม่ได้พอเราไปเกิดใหม่เราก็ต้องไปสร้างใหม่ไปเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ แต่บารมีทั้งสิทธิที่เราสร้างไว้นี้เราเอาติดตัวไปกับเราได้เราเคยทําอะไรมันจะติดเป็นนิสัยเราไปเรามีอธิษฐานามันก็จะติดไปมีสัจจะมันก็จะติดไปมีวิริยะก็จะติดไปมีขันติมันก็จะติดไปมีเมตม ต, ม ต, มมตามีทานมีศีลมีเนคขมะ มีอุเบกขามีปัญญามันจะติดไปกับเราติดไปกับใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเหมือนกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆอย่างนั้นเราทำมากทำน้อยนี้เราไม่ขาดทุนมีแต่กําไรเพราะมันจะสะสมเคลื่อผูนขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าเราก็จะกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองด้วยอนานาจของบารมีทั้งสิประการ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าของเราได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เพราะอาศัยบารมีทั้งสิประการนี้แต่ถ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าเราก็จะสามารถตัดเวลาของการบาเพ็ญสร้างบารมีต่างๆเหล่านี้ให้หมดภายได้หมดไปในชาติเดียวได้เลยแต่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าก็ต้องสร้างบารมีทั้งสิบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบร้อย ครบร้อยเมื่อไหร่ก็จะตัดสิรูเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างนั้นขอให้พวกเราลงทุนกับการสร้างบุญบา ร, รมีดีกว่าเพราะว่ามีแต่ได้ไม่มีเสียมีแต่กรรําไรแต่ถ้าไปลงทุนกับลาบยศจระเสริญนี่มันจะขาดทุนเพราะเวลาตายไปนี้หมดเลยไม่มีอะไรเหลือเหลือเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยกลับมาเกิดใหม่ะก็ต้องมาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ แต่ถ้ามีบุญบารมีกลับมาก็มาต่อได้เลยดัยงนั้นขอให้พวกเราจงใช้วันนี้เป็นวันที่เราจะมาตั้งสัจจะอธิษฐานกันว่านับตั้งแต่บัดนี้ไปเราจะใช้ชีวิตของเราในการสร้างบุญบารมีต่างๆเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์และเข้าสู่พระนิพพานที่มีแต่บรมสุข ต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร อ, อยาทาวาริวาหาปุราปาริปุเรติสาคลรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดว่เมวะาสมิจจตุ สัพเพุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพารุโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทนสีริสะนิจังวุฒาปะจายโน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 ขอความโกรณามาถามผ่านทางไมโครโฟนหลังจากที่ได้เลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหาคำถามใน Facebook ต่อจากเมื่อวานนี้ค่ะจากคุณนัทพัฒน์อยากทราบว่าทำไมคนเราต้องกลัวผีในเมื่อมันเป็นความจริงของชีวิตของทุกคนที่จะต้องเจอเราตายไป ก็ต้องเป็นแบบเขาทำไมเราถึงต้องกลัวด้วยคะเพราะความหลงนี้มันจะไม่ชอบของที่น่าเกลียดน่ากลัวมันชอบแต่ของที่สวยที่งามเพรา ะ, ะนั้นเวลาที่ต้องเห็นของที่น่าเกลียดน่ากลัวก็เกิดปฏิกิริยาต่อต้านไม่อยากจะเห็นก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญา วิเคราะห์ด้วยปัญญาก็จะเห็นว่ามันเป็นเหรียญด้านเดียวกันเป็นเหรียญอันเดียวกันเป็นสองด้านชีวิตของคนเรามีมีเกิดแล้วก็มีตายมีมีมีชีวิตอยู่กับการไม่มีชีวิตอยู่มันเป็นสิ่งเดียวกันก็คือร่างกายอันนี้ร่างกาย น, นี้พอมันไม่หายใจมันก็ตายถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็จะต้อง เ, อเสื่อมสภาพ เพราะมันจะต้องแยกทางกันเพราะสิ่งที่ประกอบของร่างกายนี้คือดินน้ำลมไฟเมื่อไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้ก็ต้องแยกทางกันไปก็เลยทำให้ร่างกายที่เราหลงคิดว่าน่าดูน่าชมพอเขาเริ่มเสื่อมสลายไปก็เลยกลายเป็นของที่น่าเกลียดน่ากลัวขึ้นมาแต่มันก็เป็นของอันเดียวกัน ร่างกายของเราทุกคนนี่เป็นอย่างนี้ด้วยกันเพียงแต่เราไม่คิดเราเลยไม่กลัวร่างกายของเราก็ร่างกายของเรานี่ที่จะต้องเป็นซากศพต่อไปถ้าเราเหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆบ่อยๆใจของเราก็จะเกิดความเคยชินแล้วจะระ ง, งับการปฏิกริยาตอต่อต้านได้ใจก็จะตั้งอยู่ใน ความเป็นกลางคือไม่ไม่กลัวไม่รักไม่ชังได้ดังัต้องหมั่นพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายบ้างเพื่อที่จะได้ดึงใจให้กลับมาอยู่ตรงกลางตอนนี้ใจของเราไปอยู่ที่ความสวยความงามพอความสวยความงามเปลี่ยนสภาพไปไม่สวยไม่งามก็เกิดความรังเกียจขึ้นมาเกิดความกลัวเกิดความทุกข์ขึ้นมา เราต้องหมั่นพยายามพิจารณาดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามที่จะต้องเกิดขึ้นเมื่อเราพิจารณาบ่อยๆจนเกิดความ เ, าเคยชินแล้วมันก็จะไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวหรือเกลียดชงังใดๆอาจารย์คะขอถามว่าเช่นคือเรานิมิต ไปเห็นกระดูกเป็นกองกองเป็นส่วนทั้งร่างกายมันจะแยกออกหมดเป็นกระโหลกเป็นขาเป็นมือเป็นแค่โครงทุกส่วนกลองทั้งหมดห้ากลองอยากถามอาจารย์ว่าจะน้อมเข้ามาพิจารณาได้ไหมคะได้น้อมเข้ามาที่ร่างกายของเราว่าร่างกายของเรา ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วต่อไปมันก็จะต้องเป็นแบบนี้พิจนาบ่อยๆให้มันติดตาติดใจแล้วขอถามอีกข้อหนึ่งตอนนี้กำลังพิจนาสังขารตัวเองคือระหว่างพิจนาจะทำเหมือนว่าตัวเองตายแล้วก็พิจนาจนร่างตายค่อยๆบวมแล้วก็ปริ แล้วก็เน่าแล้วก็เปื่อยจนเรียกว่าร่างกายเปื่อยไปเท่าจากนั้นก็เหมือนมีความรู้สึกว่ากำลังพิจนารณาหนอนมาชัยแล้วก็ชัยจนหมดเลือดลมก็แห้งไปก็เห็นแตกกระดูกแม้กระทั่งเอ็นก็ขาดผมเผ้าก็หลุดไปอันนี้อยากถามว่า ถูกต้องไหมคะหรือไม่ถูกขอให้อาจารย์ชี้แนะด้วยถูกต้องคือให้เราพิจารณาบ่อยๆเพื่อไม่ให้หลงแม่ลืมว่านี่คืออนาคตของร่างกายของเราเวลาร่างกายเป็นอะไรไปเราจะได้ไม่ทุกไปกับมันถ้าเราไม่คิดไวล่วงหน้าก่อนเวลาร่างกายเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะเกิดความทุกเกิดความวุ่นวายใจแล้วขอถามอีกข้อหนึ่งคะ่ะ คือนั่งอยู่แอบกับตาทะลุไปเห็นกองไฟอยากถามบาอาจารย์ว่าควรจะพิจารณาหรือเห็นว่าสักว่าเห็นคือกิเลสคะแล้วแต่ว่าโยมนั่งเพื่ออะไรถ้าโยมนั่งเพื่อความสงบก็ควรที่จะเกาะติดอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการทำใจให้สงบถ้าเราดูลมก็ให้ดูลมต่อไปอย่าไป ไปดูอย่างอื่นแล้วก็อีกข้อหนึ่งค่ะคือเรานั่งปกติเรานั่งแต่ว่าเราหม่มเป็นหน้าหนาวหม่มผ้านหน่มแล้วนั่งนี้แต่เราทำสมาธิไปเรื่อยๆกับเห็นว่ามือฟ้ามแบบนี้แล้วเราก็มีแตกระดูกโผล่ขึ้นมาแต่พวังกลับมาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราห่มผ้านวมอยู่ อย่างนี้ก็น้อมมาพิจนารณาได้ใช่ไหมคะถ้าเราต้องการจะเห็นความจริงของร่างกายคือวิปัสสนาแล้วก็พิจารณาได้แต่ถ้าเราต้องการทำใจให้รวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิเราก็ไม่ควรพิจารณาควรจะเพ่งอยู่กับอารมณ์เดียวแล้วขอถามอีกข้อหนึ่งค่ะคือพิลานั่งรุปทำสมาธิปรั๊ มนโนภาพก็ขึ้นตลอดเลยแต่ว่าเป็นมนโนภาพแบบคล้ายๆหนังฉายบางครั้งก็พิการบางครั้งก็สวยบางครั้งก็คนแก่บางครั้งก็เจ็คนตายตามถนนค่ะก็อย่างว่าว่าเราต้องการนั่งให้มันว่างให้มันสงบหรือเปล่าหรือเราต้องการนั่งเพื่อให้เห็นความจริงมันก็ตั้งได้สองแบบ ถ้าต้องการเห็นความจริงของร่างกายถ้าเห็นร่างกายแก่เจ็บตายเห็นร่างกายเผลอร่างกายเน่าเป็นเศษกระดูกไปก็เห็นได้แบบนี้ก็เรียกว่านั่งเพื่อวิปัสสนาเพื่อความรู้แจง้งเห็นจริงของร่างกายแต่ถ้าเราต้องการนั่งเพื่อพักจิตให้จิตสงบให้จิตสบาย เ, าเราก็ต้องไม่ให้เห็นอะไรให้อยู่กับอารมณ์เดียวที่เราใช้เป็นเครื่องกล่อมใจ ถ้าใช้พุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปถ้าใช้ลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจไปเพื่อให้จิตรวมเข้าสู่ความสงบค่ะ ข, ขอแค่เนี้ยก็ก็คงจะไม่มีอะไรถามเพราะทุกวันนี้ก็พิจารณาสังขา ร, รตัวเองอยู่ประจําค่ะอา่าดีค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรก็ดีอคํคาถามต่อไปจากคุณแจนค่ะ นั่งสมาธิแล้วสว่างจ้าไปหมดเขาวสว่างอย่างเดียวทําอย่างไรต่อเจ้าคะก็นั่งต่อไปให้มันความสว่างความนั้นหายไปให้เหลือแต่ความว่างให้เพ่งอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการนั่งถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปถ้าพุโทโธก็พุโทโธต่อไปยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางของการนั่งคือการรวมของจิตให้เป็นหนึ่งให้เป็นอุเบกขาให้สักแต่ว่ารู้ ไม่ให้มีอะไรให้รู้ให้เห็นนอกจากความว่างอก็กลับมาที่เราเวลานั่งเราใช้อะไรดูกากับใจพุทโธก็กลับมาที่พุทโธต่อไปอย่านับพอเราปล่อยพุทโธแล้วมันก็จะหยุดมันก็จะไม่มันก็จะไม่คืบหน้ามันก็จะติดอยู่ตรงนั้น ห า, าพุโทโธพุโทโธต่อไปเดี๋ยวมันก็จะวูบลงไปแล้วก็นิ่งสงบเยน็นสบายเราต้องการอุเบกขาต้องการความสุขที่เกิดจากอุเบกขาเพื่อที่เราจะได้ใช้ความสุขนี้ทดแทนความสุขตัวอื่นตอนนี้เรายังอาศัยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เรายังปล่อยไม่ได้เรายังติดมันอยู่ถ้าเราอยากจะเลิกหาความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นรสเราต้องมีความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราก็จะไม่ต้องพึ่งความสุขจากภายนอกได้ <summers? S 1> เราก็จะปล่อยรูปเสียงกลิ่นรสปล่อยสิ่งต่างๆภายนอกได้เราก็จะไม่ต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงมันมีเจริญนเดี๋ยวก็ต้องมีเสื่อมมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับแต่ความสุขที่เกิดจากอุเบกขานี้มันไม่เสื่อมไม่ดับ เราสามารถรักษาเก็บไว้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดคำถามจากคุณพรเครือคะ่ะหนูพยายามรักษาศีลแปดเริ่มจากวันพระก่อนวันพระไม่ต้องไปทำงานไม่ทานข้าวเย็นไม่ดูทีวีไม่ทาแป้งไม่นอนหมอนสูงพูดน้อยๆรับศีลมาจากวัดแล้วมาทำที่บ้านได้ไหมคะหลวงพ่อ ไม่ต้องนอนวัดได้ไหมคะได้ไม่ต้องไปรับศีลที่วัดก็ได้การรับศีลนี่เป็นการไปเรียนรู้ว่าศีลมีอะไรเท่านั้นเองพอเรารู้แล้วก็ไม่ต้องไปรับกันซ้ําแล้วซ้ําอีกวันไหนเราอยากจะรักษาศีลแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าวันนี้เราจะรักษาศีลกี่ข้อก็ว่าไปแล้วก็พยายามทําตามที่เราได้ตั้งใจไว้ก็พอแล้วคําถามจากคุณบักอุคะ่ะ ถ้าเราเห็นผีทุกหลังวันพระต้องทำอย่างไรถึงจะเลิกเห็นได้ครับ อ, อการเห็นอะไรนี่มันเป็นเรื่องของอนัตตาคือมันไม่ได้อยู่ในวิสัยของเราที่จะไปควบคุมบังคับเันได้มันเห็นอะไรก็ให้มันเห็นไปปัญหาไม่ได้อยู่ที่การเห็นปัญหาอยู่ที่การไม่อยากเห็นพอเกิดความไม่อยากเห็นขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา ถ้าไม่อยาจ ก, กจะทุกข์ก็ต้องอยากไปอยากไม่เห็นอยากเห็นมันก็จะไม่ทุกข์เวลาเราอยากได้อะไรแล้วพอเราได้ดังใจอยากเราก็จะไม่ทุกข์อถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยากไปอยากไม่เห็นมันจะเห็นก็เห็นไปเห็นก็ไม่เห็นมันมีอะไรขอให้คิดว่าเหมือนกับเห็นภาพยนตร์ดูภาพยนตร์ก็แล้วกันมันไม่มีมันเหมือนอย่างที่พูดไว้มันเป็นเหมือนฟองน้ามันไม่มีสาระแก่นสารในตัวมัน คำถามจากคุณแสงเพชรค่ะก่อนที่จะมาเรียนต่อต่อตางประเทศสามเดือนที่แล้วได้มีโอกาสไปกราบหลวงพอ่อหลวงพ่อเน้นมากเรื่องความสุขที่สุดพบได้จากการอยู่คนเดียวสามเดือนที่ผ่านมาหนูอยู่หอข้างนอกไม่ได้มีปาร์ตี้สังสรรค์อะไรคือเคยลองแล้วไม่ชอบเท่าไหร่อาทิตย์ที่แล้วหนูไปหาเพื่อนเก่าอยู่ที่ลอนดอนตามระษาเด็กปีหนึ่ง เหมือนเพื่อนทุกคนก็ปาร์ตี้เที่ยวกินเขาบอกว่าเราเนี่ยเปลี่ยนไปเหมือนหนูแอนตี้โซเชียลมากขึ้นคำถามคืออะไรคือความแตกต่างของความไม่ทุกร้อนจากการอยู่คนเดียวกับการไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่คือธรรมชาติของคนเรานี่เป็นได้สองแบบ คนที่ชอบความสงบนี่ก็จะชอบอยู่คนเดียวคนที่ไม่มีความสงบก็จะชอบอยู่กับเพื่อนดังนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายทั้งสองสิ่งเราไม่จำเป็นที่จะต้องปรับนอกจากถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่นี่มันเป็นโทษกับเรามันเป็นทุกข์เราก็ควรจะปรับแต่ถ้าการอยู่คนเดียวของเราอยู่ตามลำพังของเราเรามีความสุข เราไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเราก็ไม่เห็นมีความจำเป็นที่เราจะต้องไปปรับตัวเราให้เพื่อเข้ากับผู้อื่นยกเว้นว่าถ้าเรายังต้องอยู่ร่วมกับเขาต้องทำกิจกรรมต้องมีสังคมกับเขาอันนั้นเราก็ต้องทำไปตามกาลเทศะทำไปตามหน้าที่แต่พอเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้อมเกี่ยวข้องกับใครเราก็ไปเก็บตัวของเราอยู่ของเราคนเดียว อันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเป็นการเข้าหาความสุขที่แท้จริงเป็นการเข้าหาความสุขที่ถาวรคำถามที่สองค่ะหนูควรจะพยายามให้มากกว่านี้เพื่อให้เข้าได้กับสังคมส่วนใหญ่คือจริงๆหนูก็ไม่เห็นแก่นสารอะไรในนั้นมากแล้วก็รู้สึกฝืนกับการไม่เป็นตัวของตัวเองอีกด้วย แต่มันคือการเรียนรู้อย่างนี้หนูควรปรับตัวอย่างไรดีครับก็อย่างที่เมื่อกี้ได้ตอบไปถ้าเราต้องอยู่ในสังคมอยู่ร่วมกับเขาก็ต้องทํากิจกรรมร่วมไปตามหน้าที่ไปตามบทบาทแต่ถ้าเวลาใดที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสังคมเวลานั้นเราก็อยู่ของเราไปตามลําพังก็ได้ กลาวนามัตสการอาจารย์ครับ เ, เมื่อก่อนผมจะทําสมาธิแบบยุบหนอพองหนอนะครับก็ปรากฏว่าทําทําไม่ได้ครับมันพอมันคันไปเราต้องกําหนดจิต ด, ดูตรงโน้นตรงนี้ก็ไม่ถูกและทีนี้ก็ลองมาฝึกบริกรรมพุทโธนะครับแค่พุทโธอย่างเดียวแต่มันติดตรงที่ว่าพอบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆนะครับ แล้วมันลืมครับลืมบริกรรมมันก็อยู่นิ่งของมันแล้วก็เขาตกใจก็นึกว่าตัวเองหลับไปหรือว่าจะประโกกก็เลยมาพุทโธใหม่นะครับก็เลยมีเพื่อนบางคนบอกว่าถ้ามันมันลืมพุทโธเข า, าไม่ต้องไปไปไปดูพุทโธก็แต่ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่ภาวนาพุทโธแล้วจะดูอะไรต่อซึ่งซึ่งวิธีการตรงนี้ครับติดขัดอยู่ครับข อ, อพระอาจารย์ช่วยแก้แก้ชี้แจงให้หน่อยครับ คือการบริการพุโทโธนี้เพื่อหยุดความคิดต่างๆถ้าเราหยุดพุโทโธแล้วไม่มีความคิดเราก็อยู่กับความว่างไปให้รู้อยู่ว่าตอนนี้ไม่มีความคิดก็ใช้ได้แต่ถ้ายังมีความคิดก็ต้องพุโทโธต่อไปหรือถ้ามันยังไม่ถึงจุดก็พุโทโธต่อไปให้มันเข้าสู่ความสงบเวลาเข้าความสงบนี้มันจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ จิตจะมีความรู้สึกเบาสบายมันจะเหมือนกับตกลุมตกบอ่อลงไปแล้วก็นิ่งสงบเย็นสบายถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ควรที่จะพุโทโธต่อไปคือหมายความว่าถ้าภาวนาพุโทโธไปแล้วหยุดพุดโทโธแต่ว่าจิตไปคิดอย่างอื่นก็ให้กลับมาพุโทโธเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่สาธุครับแล้วก็จิตเป็นอัตตาหรือจิตเป็นอนัอนตตานะครับอาจารย์ครับ อันนี้ไว้รอให้ได้สมาธิก่อนแล้วค่อยมาคับสำตอบกบนอันทีครับสาธุครับจากคุณพระสินค่ะถ้าเจริญานาปานาสติประจำจำเป็นหรือไม่หรือเมื่อใดที่ควรเจริญอสุภกรรมฐานครับคื อ, อน า, านาปนาสตินี้เป็นขั้นแรกคือการคับ ทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาเมื่อเราได้ความสงบได้อุเบกขาแล้วถ้าเราต้องการกําจัดกามอารมณ์ที่มีอยู่ในใจเช่นเราเป็นคนชอบเที่ยวซ้ำซ้อนไม่รู้จักหยุดจักย่อนการเจริญสุภาพนี้ก็จะช่วยกําจัดกามอยากจะเที่ยวส้ำส้อนได้เลยคือการเลิกการเสพกามได้เลยถ้าเราเวลาเห็น คนที่เราเห็นว่ารูปร่างหน้าตาสวยงามแล้วเราจเจริญอัุวะเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามของเขาได้เราก็จะระงับดับกามอารมารได้เราก็จะสามารถที่จะรักษาศี 8, ลแปดรักษาศีลของนักบวชได้แต่ถ้าเรายังไม่ต้องการที่จะเลิกเสพกามอยู่การจเจริญอัุวะนี้ก็จะไม่เป็นประโยชน์กับเรา อาจจะทำให้เราเสียประโยชน์เพราะเราจะไม่ได้เที่ยวไม่ได้สัมสอนไม่ได้เสพกามเพราะฉั้นก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการที่จะรักษาศีลพรหมจรรย์เช่นศีลแปดเราก็ต้องเจริญสุภาพเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วการอารมณ์นี่มันจะต้องโผล่ขึ้นมาหลังจากที่เราไม่ได้เสพกามไปสักระยะหนึ่งแล้ว ความอยากจะเสพการมันจะเพิมมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วมันจะทำให้เราไม่สามารถรักษาศีลพรหมจรรย์ได้แต่ถ้าเราอยากจะรักษาศีลพรหมจรรย์เราก็ต้องมีเครื่องมือไว้ททำลายกามรมรลมก็คือเราต้องมีอสุภะการที่จะทำลายการมรมนี้ได้อสุภะต้องมีกำลังคือเวลาที่จะใช้ต้องมาได้ทันทีทันใด เพราะว่าถ้าเวลาเกิดการมาลมแล้วอสุภะมาไม่ทันก็จะช่วยไม่ได้เหมือนกับไฟไม่ถ้าเราไม่เตรียมน้ําไว้ก่อนพอจะเอาน้ํามาดับไฟอาจจะไม่ทันการเราต้องเตรียมน้ําไวใ้ให้อยู่ใกล้ๆที่ที่จะเกิดเพลิงพอเกิดเพลิงขึ้นมาเราก็จะได้เอาน้ํามาดับไฟได้ฉันใดการพิจารณาอสุภะก็เป็นเหมือนกับการเตรียมน้ําดับไฟกามาลม ที่เราจะต้องหมัน่นเจริญอยู่บ่อยๆจนกระทั่งจํามันจดจําได้ไม่หลงไม่ลืมเหมือนกับการท่องสูตรคูณถ้าเราท่องสูตรคูณแล้ว เ, เราจําได้เวลาใดที่เราต้องการที่จะใช้มันแล้วก็สามารถที่จะใช้มันได้ทันทีแต่ถ้าเราจําไม่ได้สูตรคูณจําไม่ได้เวลาจะใช้ขึ้นมาก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร เงืนเป้าหมายของการเจริญสุขภาก็เพื่อไม่ให้เราหลงแม่ให้เราลืมเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายเช่นเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วก็ดีหรือว่าเวลาที่เขาผ่าร่างกายออกมาให้ดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังก็ดีนี่เป็นภาพที่เราควรที่จะสร้างให้มันขึ้นมาเป็นสัญญาอารมณ์คือให้มันมีจดจําอยู่ในใจของเรา พอเวลาที่เราต้องการที่จะเอามาใช้ดับการอารมณ์เราก็จะได้เรียกมาได้ทันทีทันใดถ้าเรียกไม่ทันก็อาจจะต้องทำให้เราไปละเมิดศีลพ ร, รมจรรย์ของเราได้คำถามจากคุณแมรี่แพรรี่ค่ะเวลาเขาพูดกันถึงให้ระลึกถึงมรณานุสติระลึกถึงความตายในเวลาภาวนาเพื่อหัดปล่อยวางไม่ยึดติดลึกยังไงคะ ให้นึกยังไงไม่เข้าใจค่ะนั่งเป็นชั่วโมงขอพระอาจารย์โปรดเมตตาอธิบายค่ะ อ, อ๋อมันคนวาระกัน เ, ออเวลาเรานั่งทำใจให้สงบนี้เราก็ให้มีสติอยู่กับอารมณ์เดียวจะเป็นพุทโธก็ได้ลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือสำหรับบางคนถนัดกับการระลึกถึงความตายก็ใช้ความตายเป็นอารมณ์ในการทาใจให้สงบก็ได้ อันนี้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบนะแต่การละลึกความตายอีกแบบหนึ่งก็คือเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเวลาที่เราออกมาจากสมาธิแล้วใจเราคิดถึงเรื่องต่างๆก็ให้คิดถึงความตายมาสอดแทรกอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้สกัดความโลภความหลงต่างๆเพราะถ้าเราลืมตายนี่บางทีก็จะทาให้เราเพ้อฝันอยากจะสร้างอาณาจักรอาณา อะไรต่างๆสร้างทรัพย์สมบัติสร้างฐานะการเงินการทองสร้างหน้าตั้งตาสร้างชืง่อเ ส, สีเยงก็จะทำให้เราหลงไปแต่ถ้าเราคิดถึงความตายได้เราก็อาจจะหยุดชะงักความโลภความอยากต่างๆได้และถ้าเราต้องไปเจอความตายเราก็จะได้ไม่ตกใจกลัวถ้าเราไม่คิดไว้เรื่อยๆ เวลาเราเป็นอะไรไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งรักษาไม่ได้เราอาจจะถึงกับเสียหลักได้แต่ถ้าเราหมั่นพิ จ, จารณาเราลืกถึงความตายเรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วต้องมีต้องต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ให้คิดอยู่เรื่อยๆเหมือนกับการท่องสูตรคูณเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมให้จดจำไว้ตลอดแล้วมันจะเป็นตัวที่จะมาคอยกาจัด ตัวที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราคือความกลัวตายได้คำถามจากคุณสุพัตราโกศลมนตรีเมื่อนั่งสมาธิจิตรวมลึกลงเรื่อยๆเกิดอาการทั่วร่างกายทำให้ตกใจพยายามบริกรรมพุทโธแต่หัวใจเต้นเร็วด้วยอาการตกใจเป็นแบบนี้สอถึงสามครั้งการถอนออกก็เหมือนมีอาการหน่วงให้ดึงลงลึกไปอีก ควรปฏิบัติอย่างไรคะไม่ควรจะตกใจควรจะใช้สติประครับประคองใจให้สักแต่ว่ารู้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในขณะที่นั่งภาวนาให้รู้ว่าเป็นเหมือนกับการดูภา พ, พยนตร์ให้พิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่มีผลกระทบกับใจเรานอกจากความตกใจของเราเอง ถ้านั่งใหม่ๆแล้วมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขราวต่อไปเวลานั่งก็พยายามเตือนใจว่าอย่าไปตกใจให้เกาะติดอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการภาวนาแล้วการตกใจอะไรต่างๆก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วคําถามที่สองค่ะแพทย์ที่ต้องศึกษาร่างกายมนุษย์ได้เห็นความไม่สวยงามของร่างกายหรืออสุภะอยู่เนืองๆ จะสามารถตัดราคาได้เร็วกว่าอาชีพอื่นไหมคะก็ต้องเอามาใช้เวลาที่เกิดการมาลมถ้าเกิดการมาลมแล้วไม่เอามาใช้มันก็ตัดไม่ได้มันมีมีแต่ไม่เอามาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะบ่อยครั้งที่โยมเข้ามาอ่านธรร ม, มะ จะทราบซึ้งในธรรมะแต่ระบทแต่บางครั้งยังไม่เข้าใจในธรรมะเพราะปฏิบัติยังไม่ถึงและยังไม่เกิดไม่มีประสบการณ์นั้นๆได้เพียงแต่อ่านและคิดพิจารณาตามในหัวข้อธรรมนั้นๆวันนี้ได้อ่านธรรมในหัวข้อนี้เจ้าค่ะคนที่จะก้าวหน้าในธรรมนี้อยู่ที่สติเป็นหลกักก็พอจะเข้าใจเจ้าค่ะเวลาที่โยมนั่งสมาธิหลับตาทีไรส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่ที่สติ ตัวรู้อยู่เสมอมีการนั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆแต่มีสติไม่ทุกข์ไม่สุขรับรู้และรู้ตัวแต่ไม่เอามาเป็นอารมณ์ได้แต่รู้มีสติรู้ตัวและอยู่เฉยๆมาเป็นประจำคําถามแรกเวลาจะนั่งสมาธิทีไรก็จะพุโทโธนิดหน่อยจากนั้นไม่นานจะเห็นลมหายใจเข้าออกแล้วเบาลงเรื่อยๆจนละเอียดจนรู้สึกว่าหมดลม จากนั้นก็มีสติรู้ตัวเสมอนิ่งอยู่เฉยๆมีอะไรเข้ามาก็รับรู้ได้แต่วางเฉยทุกอย่างโยมไม่ไปไม่มาอยู่กับอยู่กับที่อย่างนี้ปฏิบัติถูกไหมเจ้าคะสําหรับสมาธิมันก็ได้เพียงเท่านั้นคือเข้าสู่ความเป็นกลางเข้าเข้าสู่ความวางเฉยถ้าอยากจะก้าวหน้าก็ต้องเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องมาเจริญปัญญา มาสอนใจให้เห็นความความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายที่ใจไปรับรู้ไปเกี่ยวข้องไปผูกพันด้วยให้รู้ว่าไม่เที่ยงถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์เวลาที่เขาจากไปเวลาที่เขาไม่ได้เป็นของเราแล้วให้มันพิจารณาว่าเขาไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงสักวันหนึ่งก็จะต้องมีวันจากกันไป ถ้าเราสอนอยาใจอย่างนี้เรื่อยๆ เ, เวลาเกิดการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์จะไม่เศร้าคำถามต่อมาค่ะบางครั้งยยมก็นิ่งอยู่เฉยๆไปของมันเองวันหนึ่งจับขาตัวเองดูก็รู้สึกตกใจนิดหนึ่งที่รู้ว่าแท้จริงแล้วขาเรานี้มีเพียงหนังบางๆหุ้มกระดูกเท่านั้นเองสักพักหายตกใจ ก็จับขากลับไปกลับมาดูหนังดูกระดูกขาถามตัวเองกลับไปกลับมาว่าจริงๆแล้วขาเราเป็นแบบนี้หรือจริงๆหรืออยู่พักใหญ่สุดท้ายก็ยอมรับว่าเออขาเราก็มีเพียงแค่หนังบางๆห่อหุ้มกระดูกไว้เพียงเท่านี้แหละโยมคิดพิจารณาแบบนี้ถูกหรือไม่เจ้าคะก็ถูกว่ร่างกายนี้มันก็เป็นเพียงอาการสามสิบสองเท่านั้นเอง ไม่มีตัวไม่มีตนผมก็ไม่มีตัวตนหนังก็ไม่มีตัวตนเนื้อเอ็นกระดูกก็ไม่มีตัวตนเป็นวัตถุเป็นสิ่งที่ประกอบจากดินน้ำลมไฟขึ้นมาก็ให้พิจารณาต่อไปว่ามันไม่เที่ยงมันจะต้องมีวันเสือ่อมมีวันหมดไปคำถามจากคุณรุ่งเพชรลีค่ะภาวนาพุทโธมีความรู้สึกที่ริมฝีปากบนควรภาวนาต่อไปอย่างไรเจ้าคะ่ะ ก็ให้อยู่กับพุโทโธต่อไปไม่ต้องไปสนใจกับความรู้สึกต่างๆพุโทโธไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะวูบเข้าสู่ความสงมบคำถามหมดแล้วทางบ้านทางศาลานี่มีใครยังอยากจะถามบ้างไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวพอเลิกประชุมแล้วก็ไม่ขอตอบเองน ะ, ะก็เวลาก็สมควร